เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนหรือว่าการมีมิตร ด, ดีมันย่อมทำให้เกิดชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีเนี่ยนะในความเข้าใจของคนทั่วไปคือการมีความสุขมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวอันนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เนะมื่อคนเรามีมิตร ด, ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนรงวมงานผู้ชีวิตหรือว่าเพื่อนที่ทำกิจกรรมกิจการต่างๆด้วยกันรู้จักมักคุ้นกันซึ่งอันนี้มันก็ที่เราสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยการะยะ น, นมิเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แต่ว่าชีวิตพรหมจรรย์เนี่ยนะ ท่านเน้นถึงการที่เราได้ฝึกกายวาจาใจนะตามหลัอกอริมมีองแปดเพื่อทำให้เราสา ม, มารถที่จะพึ่งตนได้อย่างแท้จริงหรือว่ามีจิตที่เป็นอิสระเรื่องอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการมีมิตรดีเนี่ยแม้จะดีเพียงใดนะแต่ว่า ก็รู้ลตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือไม่เที่ยงสังวันหนึ่งก็ต้องล้มหายตายจากไปถ้าเราเอาชีวิตที่ดีไปผูกติดอยู่กับมิตรน่มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเราเอาความสุขไปผูกติดอยู่กับ ใครคนใดคนหนึ่งแม้จะดีเพียงใดนะแต่ว่าเมื่อถึงวันที่คนคนนั้นเนี่ยล้มหายตายจากไปไอความสุขที่มีอยู่ก็กลายเป็นความทุกข์ทันทีเหมือนกับเทวดาตกสวรรค์เลยทีเดียวจากเดือนที่มีความสุขอิ่มเอมก็กลายเป็นเสียสนย์ไป เพราะนั้นมันสู้การมีใจเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนไม่ได้ถ้าเรามีใจเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อนนะอันนี้ก็จะทาให้มีหลักประกันว่าที่เราก็จะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งไม่หวั่นไหว นะเจออะไรมากระทบก็ใจก็ไม่กระเทือนนะเจ อ, เอสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบมากระทบใจก็ไม่หวั่นไหวมีความสูญเสียเกิดขึ้นก็ไม่เศร้าโศกยังเป็นจตคติเกษมสาร น, นะ ซึ่งอันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะของมงคลสามสิบแอย่างที่เราสดวดว่าเนี่ยจิตของผู้ใดเมื่อถูกลกธรรมกระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไร้ทุรีกิเลสเป็นจิตเซษมสารข้อนั้นเป็นมงคลันสูงสุดถ้มีใครเป็นมิตรนะมันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับมีใจเป็นมิตรถ้ามีใครเป็นเพื่อนก็ไม่ประเสริฐเท่ากับ นะมีจิตเป็นเพื่อนถ้าามีใจเป็นไม่มีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยนะก็จะเรียกว่ามีความมั่นคงปลอดภัยมีความกเกษมสารซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการอเจริญในอรยิยมรรคยงแปก็คือความเจริญก้าวหน้าในพรหมจรรย์นั่นเอง พรนประมาจันจนี้ก็มันถึงชื่ออันประเสริญประเสริญเพราะว่าตั้งมั่นอยู่ในอรอยิยมรรคมีองค์แปดในผู้ยานั่นคือว่าจะมีใจเป็นมิจฉิตจิตเป็นเพื่อนได้เนี่ยต้องมีการฝึกฝนจิตไม่ใช่ว่าจิตใจจะเป็นมิตจิจจะเป็นเพื่อนได้โดยอัตโนมัติถ้าไม่ฝึกฝนจิตเมื่อไหรนะ่น่ะ จิตก็อาจจะกลายเป็นศัตรูก็ได้นะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยโจรทำร้ายกั น, นก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเท่ากับจิตที่ฝึกไว้ผิดหรือว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกเลยแล้วประโยชน์ที่พ่อแม่ทำให้นะกับลูกก็ไม่บรรเทียบเท่าได้นะกับประโยชน์ที่เกิดจากจิตที่ฝึกไว้ดีแล้ว หรือวางไว้ถูกู้ออย่างนี้คือว่าถ้าจิตไม่ได้ฝึกเนี่ยนะมันก็สามารถจะกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดซึ่งเราก็เห็นได้นะคนที่เป็นผู้ร้ายเป็นฆาตกรเป็นอาญยากรจน ก, กระทั่งต้องถูกจับนะติดคุกหรือว่าถูกลงโทษเนี่ย เพราะจิตที่เต็มไปได้วยความโลภหรือว่าอยู่น้าหน้งความโกรธความโกรธความโลภมันก็สั่งให้จิต ท, ทำสิ่งที่ผิดทําสิ่งที่เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นการเอาเปรียบเปียบเบียนหรือว่าทำร้ายผู้คน แล้ไม่ใช่แค่ทําร้ายคน2องคนหรือทำร้ายคนที่รู้จักไม่รู้จักก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายหรือความฉิบหาให้กับคนเหล่านั้นได้หรือแม้จะไม่ได้ไปทําร้ายใครแต่ก็อาจจะลงเอยด้วยการทําร้ายตัวเองแล้วว่าความหดหูเพราะความซึมเศร้าเพราะความคับแค้น อันนี่ก็เป็นเพราะจิตที่ไม่เป็นมิกับตัวเองเพราะเป็นจิตที่ไม่ได้ฝึกฝ น, นหรือว่าเป็นจิตที่ไม่ได้มีธรรมะเป็นเครื่องอารักขาถ้าจิตที่ฝึกฝนดีแล้วเนี่ยนะเริ่มต้นโดยการพากายวาจาให้มีศีลให้มีธรรมเนี่ย ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนี่ยมันก็เท่ากับ ว, ว่าไม่เอาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวแล้วคนที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยด้วยความยิงแกตัวเนี่ยดูเหมือนเขรักตัวเองนะเพราะจึงไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อหาประโยชน์เข้าตัวแต่สุดท้ายนี่ยเขากลับทำร้ายตัวเองหรือว่าหาเรื่องใส่ตัว เ้าคนเราหาเรื่องใส่ตัวหาทุกนะใส่ตัวได้ง่ายๆโดยการผิดศีลถ้าไม่ต้องศีลข้อหนะึ่งสามีนะศีลข้อที่ห้าข้อเดียวนี้ก็มันก็ทำลายตัวเองได้อย่างมากมายทำลายสติสัมปชัญญะหรือว่าทำลายสุขภาพตัวเองหรือทำลายโ อ, โอกาสที่จะ เป็นผู้เป็นคนหรือว่าสร้างความเจริญความพาสุขให้กับตนเองแต่ว่ามีศีลแล้วก็ยังไม่พอนะเราต้องฝึกจิตให้มีสติมีสมาธิรวมทั้งมีขันตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิหรือไม่มีขันติ ลืมทั้งไม่มีแม่ตากรุณาเนี่ยมันก็ง่ายนะที่กิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาคร่อบงําจิตและมันไม่ใช่แค่กิเลสอย่างเดียวนะความทุกข์ด้วยพอกิเลสมันครอบงําจิตเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ในจิตใจทันทีไม่ว่าจะเป็นตัณหาโลภะซึ่งมันเผาหลนจิตหรือความโกรธนะ ที่ทำให้จิตใจรุ่มร้อนมันไม่ใช่แค่ใจที่เป็นทุกข์นะสุดท้ายร่างกายก็พล่อยเป็นทุกข์ด้วยคือเจ็บป่วยป่วยด้วยโรคนาน า, นานชนิดโรคความดันโรคเครียดโรคประสาททั้งหมดนี้ก็เพราะว่าการที่ กิเลสเนี่ยนานาชนิดเนี่ยมันครอบงำจิตเพราะจิตเนี่ยไม่มีที่ไม่มีเครื่องปกป้องเนี่ยไม่มีสติไม่มีสมาธิหรือแม้กระทั่งไม่มีความเข้มแข็งที่จะรู้จักอดกลั้ น, น, นต่ออารมณ์ที่มากระทบหรือต่อสิ่งร่าเร้าเย้ายวนแล้วก็ยั่วยุ ขันติมันทำให้จิตใจเนี่ยมันสามารถจะต้านทานกับสิ่งรอบเราย่อหยวนแล้วก็ไม่พีแธรมทำไปตามอำนาจของการยั่วยุได้แม้ถ้าเราไม่รู้จักนะรับมือกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกอารมณ์พวกนี้ครอบงาไม่เพียงแต่ทำให้จิตเป็นทุกข์นะแต่ว่ายังสามารถจะบ่งการให้กายวาจาเนี่ย ไปก่อปัญหาอาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่สุดท้ายก็ความทุกข์ร้อนก็ย้อนมาถึงตัวนะอย่างที่พูดไปแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการฝึกจิตเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความภาคเพียร น, นะต้องอาศัยวิริยะมีบางคนเนี่เขาบอกว่าเนี่ยธรรมะก็ฟังแล้วฟังบ่อยฟังเยอะนะ การเจริญสติก็ทำแต่ทำไมเนี่ยเวลาเจออะไรกระทบเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็มีอารมณ์ร่วมนะกับสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ร่วมเนี่ยคงจะหมายถึงว่าโถมเข้าไปเลยจิตมันถาโถมเข้าไปในอารมณ์ถ้าถามว่าปฏิบัติก็ทำแล้วแต่ทำไมเนี่ยจึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ คำตอบมันก็อาจจะอยู่ตรงที่ว่ายัางทำไม่มากพอคนเราเนี่ยถ้าว่ามีความเพียรทำสม่ำเสมอเนี่ยถ้าเป็นการเจริญสติเนี่ยสติมันก็จะเข้มแข็งปราดเปรียวว่องไวแลสามารถที่ทำให้ รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้รู้ทันตั้งแต่มันยังเพิ่งประทุเมื่อเกิดกลางกระทบขึ้นมาการที่มันจะกลายเป็นเพลิงโทรสระนะที่เผาพรานใจเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแค่ประกายไฟที่เกิดขึ้นมาแค่นั้นเนี่ยส ต, ติก็รู้ทันแล้ว เหมือนเครื่องอที่ใช้วัดหรือใช้จับระวังภัยเวลามีไฟไหม้เนี่ยพวกเซ็นเซอร์พวกนี้นมันไวมากเพียงแค่มีควั น, นอาจจะเป็นควันที่เกิดจากบุหรีหรือควันที่เกิดจากทูบเนี่ยก็มากพอที่ทําให้เครื่องระวังภัยหรือเซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยมันทํางาน ไม่ต้องรอให้มีเปลวเพลิงนะลุกท่วมซะ ก, ก่อนจึงขึ้นมารู้ทันตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะสายไปแล้วแต่ยังไม่ทันมีเปลวเพลิงเลยแค่มีควันเนี่ยนะลอยกระทบกับเครื่องเนี่ยมันก็รู้ทันทีสติที่ไวเนี่ยเพราะ มีการฝึกมาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำงานอย่างนั้นมันจะรู้ทันได้เร็วแล้วพอรู้ทันแล้วเนี่ยนะก็ทำให้หลุดจากอารมณ์หรือไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้นไม่ไปตกอยู่แ <c oughs> นมหน้าของอารมณ์นั้น แล้วพอมีสติมันก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาพอมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอารมณ์มนั่นมันก็ดับไปเลยเพราะมันเกิดขึ้นได้อาศัยความหลงหล่อเลี้ยงแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมาในความหลงก็หายไปอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนไฟถ้าไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนมันก็ดับไปเองแต่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะไม่ ไม่ได้รู้ทันวยอย่างนง้นนะบางทีเผลอด่าไปแล้เไวเผลอวุวายไปแล้วเนี่ยถึงค่อยมารู้ที่รู้เพราะอะไรเพราะว่าพอระบายออกไปเนี่ยอารมณ์มันก็จะลดลงหรือว่าอารมณ์มันก็จะขาดช่วงมันก็จะเปิดโอกาสให้สติเนี่ยออกมาทำงาน แต่ถ้าอารมณ์นี่มันยังรุนแรงอยู่หรือว่าท่วมท้นจิตเนี่ยสติมันก็ไม่มีช่องไม่มีโอกาสนะที่จะออกมาได้ไอ้ความโกรธหรือความเศร้าเนี่ยมันมันมีเกิดแล้วก็ดับนะแต่มันเกิดดับนี่อย่างถี่มากดูเพินๆ เ, เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์ก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่ง แต่ที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยเร็วมากนะไอ้ช่วงที่มันดับเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในลำดับถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นช่องเป็นช่องว่างให้หรือโอกาสให้สติทำงานได้อยางคนที่โกรธมากๆเนี่ยบางทีพอพูดอะไรออกไปเนี่ยมันชะ ง, งักนะ อย่างที่เคยเล่าเนี่ยผู้หญิงสองคนทำงานในออฟฟิศเดียวกันทะเลาะ ก, กันส่งเสียงดังจนกระทั่งผู้จัด ก, การเดินผ่านมาก็ถามว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันเพราะว่าสองคนนี้แย่งพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยและแถมชี้หน้าด่ากันอีกผู้จัด ก, การไม่รู้ทำยังไงก็เลยพูดขึ้นมาเลยนะว่า อย่าเพิ่งแย่งกันพูดนะให้คนที่ขี้เหร่พูดก่อนพูดเท่านี้แล้วนะทั้งสองคนนี้หยุดเลยชะ ง, งักเลยตอนนี้ตอนนั้ยังโกรธอยู่นะแต่ว่าพอได้ยินคำพูดจากเจ้านายหรือผู้จัดจา ก, การเนี่ยมันเกิดได้สติขึ้นมาหรือน้อยๆเนี่ยมันก็เกิดความได้คิดว่าเนี่ย ถ้าฉันพูดก่อนฉันก็เป็นคนขี้เห่เลยเรื่องอะไรฉันจะพูดก่อนแค่นี้มันก็มากพอที่ทำให้อารมณ์โกรธนะที่มันผลักใสยให้อยากพูดอยากด่าเนี่ยมันชะงักเลยนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันมีเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไอ้ตอนที่มันดับมันก็เป็นช่องที่ทำให้เกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเรื่องอะไรฉันจะพูดก่อนฉัน ไม่ใช่คนคีดเลยนะมันก็เลยหยุดเลย ต, ตรงนี้นะมันก็เป็นช่องให้สติเนี่ยออกมาทำงานได้บางคนบางคนเนี่ยแม้จะโกรธดุนแรงนะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันยังคิดขึ้นมาพอสติเนี่ยทำงานแต่ว่ายังมาช้าก็คือว่า ด่าไปเรียบร้อยแล้วถึงค่อยได้สติว่าโอ้ฉันไม่น่าเลยจะถ้าพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆนะส ต, ติมันจะมาไวขึ้นไวขึ้นยังไม่ทันจะพูดยังไม่ทันจะด่าไปเลยมันก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะอย่าทําอย่างนั้นนะคืนทําอย่างนั้นจะเกิดเรื่องเกิดราวมันมีความรู้จักยังคิดขึ้นมาเร็วขึ้นนะ แล้วตอนหลังเนี่ยนะก่อนที่ความโกรธมันทุนแรงเนี่ยเพียงแค่เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาสติมันก็ออกมาทํางานล้มันมาเร็วขึ้นเร็วขึ้น ห, หลายคนใจร้อนนะทาความเพียรเจริญสติยังไม่เท่าไหร่เลยก็คาดหวังแล้วว่าเนี่ยฉันต้องคุมอารมณ์โกรธได้โดยที่ไม่ได้ถามว่าแล้วเราเนี่ย ทำความเพียรมาพอหรื อ, อยังหรือว่าเราเจริญสติมาบ่อยหรือไม่อาจจะทำแค่ทำในรูปแบบแค่วันละสิบนาทีย0สิบนาทีนะทำเท่านั้นแล้นะแต่ว่าคาดหวังสูงนะว่าเนยเกิดอารมณ์โกรธเนี่ยฉันต้องรู้ทันนะควบคุมมันได้ ท, ทั้งที่ปล่อยให้ความโกรธ ห, หรือสร้างนิสัยความนิสัยเจ้าโทสะเนี่ย ต่อเนื่องกันมาสิปี20ปีสร้างนิสัยนี้มาหมักหมมให้มันสะสมจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วหรือกลายเป็นธรรมชาติส่วนที่สองที่เรียกว่าสันดานไปแล้วพอเห็นคุณค่าของสตินะมาเจริญสติแต่ว่าทำได้ไม่นานหรือว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องเนี่ย ก็กลับคาดหวังนะว่าฉันต้องคุมอารมณ์ได้อันนี้ไม่ถูกนะมันต้องทําอยู่เรื่อยๆทําเรื่อยๆอย่าลืมว่าน้ําน้อยยอมแพ้ไฟมากถ้าสติเราอย่างอ่อนเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับน้ําน้อยนะเจอไฟเนี่ยมันจะดับไฟได้ยังไงเราต้องสร้างสติไปเรื่อยๆแล้วสร้างสติต้องทําให้ถูกด้วยนะ ก็คือว่าไม่ใช่แค่ทำในรูปแบบแต่ให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนลางหน้าถูฟันก็จเจริญสตินะบางทีมันนึกนะอยากจะเปิดดูโทรศัพท์มือถืออ่้วก็ชะล้อไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะอาบน้าเวลาจะถูฟันหรือบทีใจมันจะลอยคิดไปนโน่นคิดไป น, นี่ก็ ดึงเจตับกกมาอยู่กับปัจจุบันต้องฝึกกันแบบนี้อ่ะนะ่ที่สำคัญคือว่าเวลามันมีอารมณ์ที่ตรงข้ามกับความโกรธนะเช่นความดีใจนะความปรับปลืม้มนะก็ต้องรู้ทันด้วยนะคนชมแล้วเราปลืม้มเราดีใจนะหรือว่างานสำเร็จเราก็ดีใจจกกนกระทั่ง ตะโกนออกมาเนถ้าว่าดีใจเนี่ยไม่รู้จักควบคุมอารมณ์หรือไม่รู้จักรู้ทันนะถึงเวลาเสียใจถึงเวลาโกรธจะรู้ทันได้ยังไงอย่าไปตั้งเป้าว่าให้รู้ทันเฉพาะอารมณ์ที่มันที่มันเป็นลบที่เราไม่ชอบเช่นความโกรธความหงุดหงิดนะความเศร้านะอารมณ์ไฟบัวก็เหมือนกันนะ เราก็ต้องฝึกให้รู้ทันมันไม่ใช่ว่าปล่อยใจจมเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นไม่ม่อจะเป็นความดีใจความปราบปลืม้มนะบางทีดีใจจกนกระทั่งตะโกนโหวกเพลงออกมาถ้าคืนทันอย่างนี้นะเวลามันเสียเวลามันเสียใจเวลามันโกรธเนี่ยจะรู้ทันได้อย่างไรดีใจไม่รู้ทันแต่จะไปหวังว่าเสียใจจะรู้ทันมันเป็นไปไม่ได้ เวลาปราบปลื้มก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความปราบปลื้มนั้นแล้วถึงเวลาที่มันเกิดความผิดหวังเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจจะรู้ทันได้ยังไงมันต้องฝึกนะไปกับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดนะเวลามันคิดลบเนี่ยจะไปรู้ทันมันได้ยังไงถ้าเกิดเวลาคิดบวกหรือว่าใจลอยฝันกังวันเนี่ยปล่อยใจลอย ถ้าปล่อยใจลอยเนี่ยไปกับฝันกลางวันเนี่ยถึงเวลามันคิดรบคิดรายเนี่ยจะไปรู้ทันมานัาเองเนี่ยที่สำคัญยังคือนอกจากความเพียรแล้วก็ทําต่อนเนื่องแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยากสิ่งที่สําคัญคือว่าต้องรู้จักทําให้ถูกวิธีด้วยถูกวิธีคือว่าเวลารู้ทันเนี่ยนะจะรู้ทันความกลัวรู้ทันความเศร้าเนี่ยให้รู้เฉย ครูบาอาจารย์นึกใช้ว่ารู้สื่อๆไม่ไปผักไสกดขมมันซึ่งตรงนี้ยากเพราะว่าหลายคนเนี่ยแม้จะรู้ทันความโกรธแต่พอ ร, รู้ทันปุ๊บนี่มาไปกดข่มความโกรธแล้ว เ, ลเหมือนกับเวลาเรู้ทันความคิดพอ ร, รู้ทันปุ๊บนี่มันกดห้ามทันทีเพราะอะไรเพราะไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกลบกับมันคือทำนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการเติม เติมกำลังเติมพลังให้มันแต่ถ้าจะเอามันอยู่นะก็ต้องรู้ทันแบบรู้ซื่อไม่ไปผักไส่ไม่ไปตกลมบอนกับมันไม่ไปสู้กับมันแค่ดูมันเฉยเฉยมันก็แปลงนะพอไม่สู้กับมันแค่ดูมันเฉยเฉยมันก็กลับหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยแต่ถ้าไปสู้กับมันก็เท่ากับเป็นการเติมพลังให้มันมันก็เราเติมเชื้อเติมฟืนให้กับไฟ แทนที่มันจะมอดดับมันก็เลยลุกโผง่ขึ้นไปใหญ่คนที่บอกว่าเนี่ยทํไาไมรู้ไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้สักทีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้รู้เฉยๆแนละ้วก็ไปครุกเข้าไปสู้กับมันนะอันนี้เพราะว่าทำไม่ถูกและนอกเหนือจากว่ายัางไม่ค่อยทําความเพียรหรือว่าปฏิบัติอย่างจริงจังมีการเลือกปฏิบัตินะ เวลาดีใจก็ปล่อยใจจมเข้าไปกับความดีใจแต่พอเสียใจนี่จะกลับอยากจะมารู้ทันอยากจะควบคุมมันไม่ได้นะมันต้องไม่ไม่เลือกที่ละมาที่ชังดีใจเสียใจนะปราบปื้มหรือโกดเครื่องนะก็ต้องรู้ทันมันต้องคู่นะจะปล่อยใจจมไปกับเรื่องหนึ่งอารมณ์แบบนึงแล้วไปมารู้ทันกับอารมณ์อีกแบบนึงนี่มันมันยาก เมื่อคนเรานะถ้าว่ามีคนชมแล้วก็ดีใจเนี่ยจะให้ไม่เสียใจเวลาเข้าตำหนิก็ยากแต่ไม่อยากเสียใจไม่อยากโกรธเวลาถูกตําหนิก็อย่าไปดีใจเวลามีคนชมนะมันต้องทําอย่างเนี้มันถึงจะรู้จักรับมือจัดการกับอารมณ์ที่เป็นลบได้